อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังตาตกถาธรรมของหลวงพ่อบ่าวเอิงองค์สารพานมัททุรสอดีตเจ้าอาวาสวัดสมนานำบริหารนะคะหรือว่าวัดยนสะพานขาวค่ะเมื่อวันที่6ธันวาคม2 5งพันพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในหัวข้อเรื่องวิญญาณและกรรมเก่ามีจริงหรือไม่เป็นการบอกเล่าให้ได้ทราบทั่วกันนะคะว่าวิญญาณและก็กฎแห่งกรรมนั้นมีจริงดังปาตกถาธรรมของท่านต่อไปนี้ค่ะ ขออ่ำนวยพรแด่ท่านพุทธบุตรผู้อาวุโสท่านผู้มีเกียรติและญาติโยมทั้งหลายข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกๆ ท, ท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาฟังในวันนี้เรื่องที่จะพูดนั้นเป็นประสบการณ์ที่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้ามาแล้วจึงขอนำมาเล่าให้ฟังเพื่อท่านจะได้พิจารณาหาทางพิสูจน์ดูบ้างในโอกาสอันควร อันหนึ่งข้าพเจ้าขอขอบใจคุณบุญมีเมธังกูลกรรมการธรรมศึกษาและคณะกรรมการของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมย์ที่ได้อารัธนาข้าพเจ้ามาบรรยายในหัวเรื่องข้อพิสูจน์ว่าวิญญาณและกรรมเก่ามีจริงหรือไม่ ก่อนอื่นข้าพเจ้าใคร่ขอทําความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าข้าพเจ้าไม่ใช่นักพูดไม่ใช่นักเขียนข้าพเจ้าเป็นเพียงนักปฏิบัติได้ชอบค้นคว้าหาความจริงตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระศักรยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นพุทธบุตรของพระองค์รูปหนึ่งในลทัทธิเหนือฝ่ายมหา ย, ยานแห่งอนันตนิกายข้าพเจ้าได้พบรรมข้อหนึ่งซึ่งแปลเป็นไทยว่าเชื่อด้วยเหตุผลเป็นแม่บทแห่งความสําเร็จ ข้าพเจ้ายึดหลักความเชื่อดังกล่าวนี้จึงเริ่มปฏิบัติโดยการฝึกจิตให้ผ่องแผ้วและสำรวมอินทรีย์ให้สงบเรียกว่าสมถภาวนาหรือสมาธิวิธีซึ่งตรงกับคำว่าติในภาษาอานนำอันแปลว่าธรรมจิตหรือว่าขัดกล่าวจิตนั่นเอง เมื่อได้ฝึกจิตโดยกำหนดรู้อยู่เป็นอารมณ์มีสมาธิดีแล้วจิตใจก็ผ่องแผ่ยิ่งขึ้นในที่สุดก็ได้ร่องรอยแห่งความสำเร็จโดยมีประสบการณ์ว่าอาดีตวิญญาณนั้นมาติดต่อกันได้และต่อไปนี้ขอลำดับเรื่องที่ได้มีประสบการณ์มาแล้วมาเล่าให้ฟังพอเป็นสังเขป วันหนึ่งในปีพุทธศักราช2489ในเส้งหลีหรืออํารุงได้มานิมนต์เพื่อทำพิธีกงเต็กให้แก่บิดาที่ชื่อนายหวยแซ่หรือซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อคราวอพยพหลบภัยในมหาสงครามโลกครั้งที่สองพิธีกงเต็กได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกาโดยเริ่มด้วยให้เจ้าภาพสมทานศีลและนําสอนเจ้าภาพ ให้อธิษฐานบูชาทูปต่อพระรัตนตรยัยอัญเชิญมาเป็นองค์ประธานสูงสุดกล่าวชุมนุมเทพเจ้าทั้งสิทธิษโดยมีพระสยามเทวทิราชเป็นต้นเป็นองค์ทิพยานและก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นก็ถึงพิธีเชิญวิญญาณของในห้วยแซ้หรือมาสู่ดวงวิญญาณทิพย์ พระสงฆ์สวดพระคาถาโดยมีการบรรเลงเพลงมโหรีคลอไปตามท่วงทํานองและลีลาการสวดในพิธีกงเต็กจนเวลาล่วงเลยไปประมาณ18นาฬิกาขณะที่ข้าพระเจ้าสำรวมจิตภาวนาระลึกถึงเดชะพระบารมีแห่งพระพุทธองค์ให้ทรงโปรดพระประธานพระรัศมีนำดวงวิญญาณของในห้วยแซ่หรือมาสิงสถิตในดวงวิญ ญ, ญาณทิพย์เพื่อวิ ญ, ญญาณจะได้ฟังธรรมจาศีลและรับกุศล ผลศีลผลทานของบุตรผู้มีความกระตันยูกะตะเวทีทำอุดบุญอุทิศส่วนกุศลให้พอสักครู่ก็ได้เกิดนิมิตเห็นแสงสว่างดัง ด, งดวงไฟฉ า, ายสองแสงเป็นลำพุ่งมายังตัวข้าพเจ้าเป็นทางยาวจากตอนต้นที่มาของแสงสว่างนั้นเป็นจุดเล็กๆ เ, เคลื่อนที่เข้ามาทุกทีจนปรกากฏชัดเป็นภาพของมนุษย์สวมเสื้อกุ ย, กยเฮงนั่ง นุ่งกางเกงปังลิ้นสีดำร่างกายผอมหลังค่อมเล็กน้อยกิยริยาท่าทางเดินเข้ามาแบบรีบสักหน่อยเมื่อมาใกล้ดวงวิ ญ, ญญาณทิพย์ก็หายวับไปข้าพเจ้าไม่เคยเห็นตัวจริงหรือแม้แต่ภาพถ่ายของผู้ตายมาก่อนเลยตามที่ปรากฏการนี้ทำให้ข้าพเจ้าพอใจผลแห่งการประกอบพิธีกรรมนั้นเป็นอย่างยิ่งการทาพิธีกรงเตกนั้น คือการเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายให้มารับส่วนกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเป็นจอมปราดของชาติไทยก็ทรงเชื่อดังได้ที่ระบุไว้ในพระราชาพิธีกรรมข้อที่5บอกว่าในเวลาทำบุญ7วันเมื่อไหว้พระศพก็ดีและในงานพระเมนนั้นก็ดีก็ให้จัดการทำกงเตก ถ้าไม่มีใครศรัทธาทำให้ข้าพเจ้าขอให้ทายาของข้าพเจ้าหาพระอนันตนิกายจินนิกายมาทำให้ข้าพเจ้าดังแจ้งอยู่ในพระราชพิัยกรรมลงวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2463จนเมื่อเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2491เป็นเวลาล่วงมาแล้ว54ปี คณะกรรมการสารันเจ้าพ่อกวนอูที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ก็มานิมนต์ข้าพเจ้าให้ไปประกอบพิธีเทวาพิเศษพระรัศมีเจ้าพ่อกวนอูก่อนที่จะรับนิมนต์ข้าพเจ้าก็ตกลงกับกรรมการนั้นว่าขอรับแต่เพียงการประกอบพิธีทางศาสนานะส่วนเรื่องการเชิญเจ้ากวนอูประทับทรงลุยไฟนั้นข้าพเจ้ารับไม่ได้เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์และข้าพเจ้าก็ไม่เคยทํากรรมการที่มานิมนต์ก็ตกลงจึงได้กําหนดวันและไปวันไปแล้วก็วันกลับนะคะ หลวงพ่อยังเล่าต่อไปนะคะว่าเมื่อข้าพเจ้าไปทําพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วพรุ่งนี้จะเดินทางกลับเขาว่าพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญกําหนดลุยไฟขอให้ข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าว่าเรื่องลุยไฟนั้นไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าได้ตกลงกันเมื่อวันไปนิมนต์แล้วแต่พวกเขาพูดว่าที่ไปนิมนต์มาก็เพราะทราบว่าข้าพเจ้าเก่งกล้าสามารถทําการเชิญเจ้าพ่อได้ขอได้กรุณาช่วยเขาสักครั้ง มิฉนั้นพิธีนั้นก็จะไม่มีความหมายพวกเขาได้ลงทุนบริจาคทรัพย์จัดการในเรื่องนี้จํานวนเงินเป็นเรือนแสนขอได้กรุณาช่วยเขาสักครั้งข้าพเจ้าอยู่ในฐานะลําบากเสียแล้วและก็จะกลับก็ไม่ได้เขาไม่ให้กลับเมื่อจะอยู่ก็ไม่รู้จะทําประการใดให้เขาสมประสงค์เพราะเกิดมายังไม่เคยตั้งตนเป็นอาจารย์ในทางเชิญคนลุยไฟหรือว่าเชิญเทพเจ้าลุยไฟเลยเมื่อไม่มีทางหลีกเลี่ยงหลวงพ่อก็ได้แต่จำนวนกับคาขอร้องต่อไปอีกวันหนึ่งนะคะพอ รุ่งขึ้นค่ะหลวงพ่อฉันเพลนเสร็จแล้ว ก็เห็นกองถ่านที่นํามากองไว้สําหรับลุยไฟนั้นค่ะไม่ใช่ถัง2ถังนะฮะแต่ว่านับเป็นจำนวนเล่มกลียนเลยทีเดียวหลวงพ่อบอกตกตะลึงมากแล้วก็คิดหลายอย่างจิตใจนี่เต้นเป็นกลองตีแบบไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวและเวลานั้นไม่ทราบว่าผู้คนมาจากไหนต่อไหนคือเต็มลานไปหมดคือครั้นเวลาใกล้จะต้องลงมือทําพิธีหลวงพ่อก็พยายามข่มใจจัดครองจีวอนให้เรียบร้อยทั้งทังที่จีวอ น, นั้นชุ่มไปด้วยเหงื่อเดินเข้าโรงพิธีจุดบูชาคุณพระรัตนตรยัยสำหรับ รวมกายวาจาใจให้สงบแล้วก็สวดมนต์ทำพิธีสวดอยู่ตั้งชั่วโมงกว่าใจคออ่อนเพลียเต็มประดายังไม่ปรากฏวี่แววว่าเจ้าพ่อจะเข้าทรงกายทำให้หลวงพ่อเนี่ยต้องอึดอัดใจเต็มที่นะคะแต่ก็คิดค้นหาวิธีที่จะกระทำลงไปเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเพราะว่าไหนๆก็เข้าขั้นนี้แล้วนะคะถ้าไม่ทำถ้าทาไม่สาเร็จก็อายเขาแน่เลยหลวงพ่อเล่า ด้วยเดชานุภาพและพระบารมีแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดลบัรดานให้ข้าพเจ้ามีจิตระลึกนึกถึงพระคาถาอัญเชิญวิญญาณในพิธีกงเต๊กซึ่งกระทำบ่อยๆขึ้นมาได้คราวนี้ต้องเป็นผลสำเร็จแน่หลวงพ่อนึกในใจค่ะจากนั้นหลวงพ่อก็เลยรีบลุกขึ้นจากที่นั่งไปบอกกรรมการผู้หนึ่งว่า ขอเชิญกรรมการทั้งหมดมาพร้อมกันเพื่อเสียงอธิษฐานไม้ดูว่าเจ้าพ่อกวนอูจะมาประทับทรงเวลาเท่าใดเมื่อคณะกรรมการพร้อมกันจุดทูบอธิฐานโยนไม้คู่เสร็จแล้วก็เลยบอกแก่ข้าพเจ้าว่าเจ้าพ่อกวนอูจะมาประทับทรงลุยไฟในบ่าย4ี่โมงก็คือ16บหนาฬิกานะคะซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าอูโล่งใจมากเลยทีเดียวก่อนถึงกําหนดเวลาประมาณ15บหนาฬิกาสนาทีนะคะหลวงพ่อบอกว่า ให้พระสงฆ์เตรียมตัวทำพิธีแล้วก็สั่งให้สวดพระคาถานิมิตซึ่งมีเพียง15าคำแล้วข้าพเจ้าก็สั่งให้พวกมโหรีตีคล้องตีกองแล้วก็ฉาบเป็นการใหญ่ส่วนข้าพเจ้าถือทูบเพื่อที่จะสรัรวมจิตแล้วก็ส่งกระแสจิตมุง่งพุ่งไปที่รูปเจ้าพ่อกวนอูให้กระแสจิตสื่อพูดว่า ถ้ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงแท้ขอให้ประทับร่างทรงคนหนึ่งคนใดลุยไฟให้เป็นที่ประจักษ์แก่ตาประชาชนในการบัดนี้เถิดได้ส่งกระแสจิตอยู่เช่นนี้ไม่นานเจ้าพ่อกวนอู ก, ก็เข้าประทับร่างท ร, งทรงคนที่มาชมการลุยไฟคนหนึ่งค่ะแล้วก็วิ่งออกมาจากหมู่คณนะกระโดดโลดเต้นอยู่พักใหญ่ผู้คนแตกตื่นตะลึงพึงเพลิดนะคะต่อการ ต่อจากนั้นนะคะก็วิ่งมาบนศาลาแล้วก็เรียกกรรมการสั่งการให้วุ่นวายไปหมดแล้วได้ตรงไปที่ที่บูชาค่ะก็ไปหยิบเอาก้านหยันนะคะ ออกมาแล้วก็ได้รำอย่างชำ น, นีชจำนาญบงการให้ข้าพเจ้าทําน้ํามนต์เตรียมไว้ซึ่งข้าพเจ้าขอให้ท่านทําของท่านเองท่านก็ไม่ยอมทําให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ทําให้ได้ว่าแล้วก็ยังยืนมามายืนคุมอยู่ข้างหลังนะคะพร้อมทั้งกวัดแกว่งกั้นหยันอยู่ไปมาอีกด้วยทําให้ข้าพเจ้าเสียวสันหลังเพราะว่ากลัวกั้นหยันจะแทงเข้าให้นั่นเองค่ะหลวงพ่อบอกว่าความกลัวทําให้ สวดพระคาถาถูกบ้างผิดบ้างเสร็จแล้วเจ้าพ่อก็วิ่งตรงไปตรวจดูกองฐานที่ไฟกำลังติดอยู่แล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาบนสารกวากมือเรียกพวกเด็กหนุ่มราวห0คนให้มาถือสิ่งของบูชาต่างๆแล้วก็ให้คนหนึ่งอุ้มรูปปั้นของท่านเพื่อจัดขบวนนะคะ ท่านก็วิ่งนําหน้าขบวน ล, ลุยเข้าไปในกองถ่านที่กําลังลุกแดงฉานวิ่งลุยกลับไปกลับมาทั้งขบวนรวมสามเที่ยวเป็นอันเสร็จพิธีแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายหรือว่าไม่พองเลยนะคะวันรุ่งขึ้นหลังจากเสร็จพิธีลุยไฟแล้วหลวงพ่อก็กลับเข้ากรุงเทพเมื่อรถไฟออกจากสถานีปากน้ําโพแล้วหลวงพ่อบอกว่าคิดในใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานคิดว่าเมื่อกลับถึงวัดแล้วจะตั้งที่บูชาอันเชิญวิญญาณเจ้าพ่อกวนอูเพื่อทดสอบให้แน่ใจ ทีนี้พอกลับมาได้สองสวันหลวงพ่อก็จัดการบวงสรวงบูชาเจ้าพ่อกวนอูซึ่งมีอยู่แต่เดิมที่ศาลภายในวัดสมณมนณฑนะคะเพื่อที่จะได้ลงมือทมพิธีอัญเชิญให้มาประทับร่างทรงเจ้าพ่อกวนอู ก, ก็มาประทับร่างหลวงพ่อถามว่า ควรจะปฏิบัติอย่างใดในการที่จะขออัญเชิญท่านเพื่อประกอบพิธีในโอกาสต่อไปเจ้าพ่อกวนอูบอกว่าแนะนำว่าขอให้ปิดทองรูปของท่านสมัยกับได้กำหนดวันพิธีลุยไฟประจำปีก็คือวันขึ้น1 3บามค่เดือน5้าข้างจีนนะคะหลังจากสาดแล้ว8วันทุกๆปี คุณผู้ฟังคะวัดสมนานำบริหารหรือว่าวัดยวนนะคะจึงได้มีการประกอบพิธีเทวาพิเศษเป็นประจําปีเรื่อยมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะซึ่งต่อมาเมื่อปรากฏว่าการเชิญวิญญาณเป็นสิ่งที่กระทําได้ดีแล้วก็มีญาติโยมทั้งหลายไปขอร้องให้เชิญวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นต้นว่าวิญญาณของบิดามารดาหรือว่าจะเป็นปู่ย่าตายายนะคะแล้วก็ลูกหลานที่รักใครใ่ให้มาประทับทรงเพื่อไต่ถามความทุกข์ความสุขอยู่เป็นประจํา โดยหลวงพ่อได้ทําการเชิญอย่างไม่เว้นว่างในแต่ละวันซะด้วยแม้กระทั่งวันพระหรือวันที่ต้องห้ามก็ไม่มีการหยุดยั้งยิ่งไปกว่านั้นก็ยังได้พบวิธีที่จะเชิญวิญญาณให้มาปรากฏบนนิ้วมือคือเชิญวิญญาณให้มาปรากฏบนใบหน้าบนนิ้วหัวแม่มือให้ญาติโยมที่มีจิตปรารถนาจะพบเห็นวิญญาณของผู้ตายจะได้มีความมั่นใจก่อนที่จะทําการเชิญวิญญาณมาเข้าทรงนั้นด้วย โดยการเชิญวิญญาณ น, นั้นให้มาปรากฏตัวที่หัวแม่มือดูว่าจะใช่บุคคลผู้นั้นจริงหรือไม่เมื่อเป็นที่แน่ใจว่าใช่แล้วก็จะถามว่าจะเชิญวิญญาณเข้ามาเข้าทรงได้หรือไม่ถ้าได้ภาพที่มาปรากฏที่หัวแม่มือก็จะพยักหน้ารับการเชิญวิญญาณให้มาปรากฏดังกล่าวนะะียคะมีญาติโยมสนใจกันมากค่ะจนกระทั่งทาความเดือดร้อนแล้วก็ราคาญให้แก่เทวทูตไตรภพ ถึงกลับมาประทับทรงและประกาศห้ามมิให้องค์พศจนะสุนทรหรือว่าบ่าวเอิงค่ะเชิญวิญญาณพร่ำเพื่อนับแต่นี้ไปอีก5เดือนจึงค่อยเชิญวิญญาณยกเว้นให้แต่เฉพาะการเชิญวิญญาณของผู้ร่วงลับไปแล้วในเวลาทําพิธีกงเต๊กเท่านั้นห้ามมิให้เชิญประทับทรงพร่ำเพื่อดังที่แล้วมาประกาศวันที่4กรกฎาคม2496นะคะคุณพระพนม นักคระนุพง์มานิมนต์ให้ไปเชิญวิญญาณผู้บังเกิดเกล้าของท่านเพราะว่ามีจิตศรัทธาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พิธีเชิญวิญญาณได้กระทำไปสักครู่ร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนั่งรอรับ วิญญาณให้เข้าทรงนั้นก็เริ่มมีการสั่นทีละน้อยแล้วก็รุนแรงขึ้นเมื่อวิญญาณเข้าประทับทรงเต็มที่ครบอาการ32แล้วก็ลุกขึ้นด้อมๆมองๆในหมู่คนที่นั่งอยู่นั้นนะคะพร้อมกับถามหลวงพ่อบ่าวเอิงว่าขอทราบนามผู้ที่มาประทับร่างทรงนั่นคือผู้ใดหลวงพ่อบ่าวเอิงถามนะคะวิญญาณก็ตอบว่ากูไอเสือใหญ่นามสกุลใหญ่ยิ่งเสือเมืองการใครๆก็รู้จัก หลวงพ่อบ่าวเอิงจึงพูดว่าทำไมพูดจา ก, กับพระกับเจ้าไม่มีสัมมาคาระวะอย่างนี้ล่ะวิญญาณในร่างส่งก็เลยตอบว่าอุ๊ว่าทำไมกูจะพูดไม่ได้กูเคยตีหัวพระมาแล้วจะกลัวอะไรกับพระกูมาตามหาเมียของกูเขาว่ามาอยู่ที่บ้านคุณพระนี่แหละทำไมจะมาไมมาถามดูไม่ได้หรือไงพอพูดเท่านั้นละค่ะก็กำหมัดเดินตรงเข้ามายัางที่หลวงพ่อบ่าวเอิงทำท่าจะชกต่อยหลวงพ่อเห็นเช่นนั้นก็เลยลุกขึ้นยืน คุณพนมแล้วก็บรรดาญาติพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นั่นก็ต่างตกตะลึงและก็คิดในใจว่าเจ้าหมอนี่ถ้าจะเอาเรื่องแน่ก็เลยสํารวมใจว่าพระคถ า, าอาวโลกิเตศวนพร้อมกับคอยดูทีท่าว่ามันจะมาท่าไหนพอหลวงพ่อว่าพระคถ า, าจบก็เลยพูดว่าเจ้าเป็นเสือก็ดีแล้วลองชิมของอย่างนี้ดูบ้างเมื่อเชื่อ ว, ว่าเจ้าคงจะไม่เคยพบพอพูดขาดคานะคะวิญญาณในร่างนั้นก็ในร่างทรงนั้นเนี่ยก็ชกมา หลวงพ่อบ่าวเอิงหลบหลบทันนะคะแล้วก็เอามือทำท่าฟาดลงไปที่ร่างของผู้หญิงคนนั้นพร้อมกับว่าพระคาถาผู้หญิงคนนั้นพัะสุดนั่งอยู่กับคล้ายถูกทุบตีพอประเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาทำท่าจะชกต่อยอีกครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อบ่าวเอิงก็เลยว่าพระคาถาพลางทามือฟาดซ้ำติด ติดติดกัน2ทีร่างของคนทรงถึงกับล้มฟุบนอนหายใจท้องขะแมวทั้งเหนื่อยทั้งหอบแล้วก็ร้องครางว่ากูเกิดมายังไม่เคยแพ้ใครมาแพ้สมพานวัดยวนสะพานขาวได้กูเจ็บใจจริงๆคุณผู้ฟังคะเรื่องที่เล่ามานีชีให้เห็นว่าการเชิญวิญ ญ, ญาณนั้นบางครั้งนะคะก็มีวิญ ญ, ญาณอื่นนะคะที่มาสวมรอยแทนก็มีซึ่งท้าวิญญาณนั้นครั้งเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ก็จะมีนิสยัยหรือว่าความประพฤติอย่างไร ตายไปแล้วนะคะก็เป็นอย่างนั้นค่ะกรรมดีกรรมชั่วก็ย่อมติดตัวไปทุกภพทุกชาตินะคะ โดยยกตัวอย่างล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม 2,505 คุณนายยิวจันทร์ประเสริฐนะคะนิมนต์ให้หลวงพ่อบ่าวเอิงไปเชิญวิญญาณนายสุบินสามีซึ่งถูกไฟคลอกตายนะคะนายสุบินนี้เป็นผู้ที่ชาวปราจีนบุรีรู้จักแล้วก็นับถือมากเพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มั่งคั่งในจังหวัดนี้ได้เกิดไฟไหม้คลอกเสื้อผ้าแล้วก็เนื้อตัวจนถึงแก่ความตายค่ะหลวงพ่อก็เลยได้เชิญวิญญาณนะคะ ของนายสุบินเนี่ยให้มาประทับร่างของนางแก้วซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของนายสุบินเมื่อประประทับทรงนั้นก็แสดงกิริยาวมาในสนาของคนที่ถูกไฟไหม้ คือมีอาการดิ้นทุรนทุรายมือไม้ปัดตามเนื้อตามตัวทั่วไปหมดขากรรไกรก็แข็งอ้าปากไม่ค่อยได้พูดฟังไม่ค่อยชัดโดยคุณนายยิวแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยจำเสียงได้ว่าเป็นนายสุบินจริงเมื่อถูกไฟไหม้แล้วก็ด่วนถึงแก่กรรมมีลักษณะแล้วก็อาการดังที่เข้าทรงนี้ทุกอย่างก็เลยทำให้ญาติพี่น้องเนี่ยเชื่ออย่างสนิทใจนนะคะพร้อมกับร้องไห้แล้วก็อ้อนวอนใ hey, ห้หลวงพ่อบ่าวเอิง อัญเชิญพระคาถาเภศัชคุรุเสกน้ำมนต์ให้ดื่มแล้วก็เป่าคาถาไปทั่วทั้งร่างพร้อมกับก่าบคำทํานองประกาศสิทธ์นะคะบอกว่าขอให้หายอย่างฉับพลันทันด่วนหน้าบัดนี้ปรากฏว่าผลวิญญาณในร่างที่เจ็บปวดและอื่นๆนั้นได้หายไปอย่างกับเป็นปลิดทิ้งค่ะพูดจาได้ดีเหมือนคนธรรมดาวิญญาณของนายสุบินหันมากราบ หลวงพ่อบ่าวเอิงแล้วก็พูดว่าขอขอบพระคุณที่มีจิตเมตตาได้ช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในครั้งนี้และ ว, ว่าเนื้อหนังที่ถูกไฟไหม้นี้ก็หายเป็นปกติดีทุกอย่างนะคะ จากนั้นก็เรียกชื่อผู้ที่ตนชอบพอรักใคร่ให้ขยับเข้ามาใกล้ๆเพื่อสนทนาด้วยค่ะโดยได้มีบุตรคนหนึ่งได้คลันเข้าไปหาแล้วก็ถามวิญญาณของพ่อว่าใครเป็นผู้ที่ทำให้พ่ อ, อไฟไหม้จนถึงแก่ความตายวิญญาณก็บอกไม่มีใครทําพ่อหรอกลูกกรรมเก่าของพ่อมันตามทันพ่อก็ต้องใช้หนี้เขารู้ตัวก็ต่อเมื่อตายแล้วต่อไปนี้วิญญาณจะเป็นการสนทนานะคะกับหลวงพ่อบ่าวเอิงค่ะโดยบอกว่า เมื่อชาติก่อนนั้นกระผมชอบจับเอาลูกนกในรังมาย่างไฟทั้งเป็นเมื่อลูกนกถูกไฟร้อนก็ร้องดิ้นจนขาดใจตายกระผมเห็นเป็นของสนุกและชอบใจเมื่อย่างสุกแล้วผมก็จะฉีกเนื้อกินกระผมพบทีไรก็ต้องจับมาย่างไฟกินทุกทีนี่แหละครับเป็นกรรมเก่าที่ได้ทําเข้าไว้โดยไม่นึกว่าจะเป็นเวรกรรมมารู้ได้อีกทีนึงก็ต่อเมื่อตายแล้วและใช้หนี้เขาถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์มาช่วยถอนกรรมให้กระะผมก็ต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ เคราะดีที่ในชาตินี้กระผมได้ทําบุญสุนทันและสร้างการกุศลไว้มากสวรรค์จึงดนบันดาลให้ภรรยาของกระผมไปนิมนต์ท่านอาจารย์มาช่วยเวลานี้กระผมสบายอกสบายใจดีแล้วเมื่อได้สนทนาปราศัยกันพอสมควรค่ะวิญญาณของนายสุบินก็สั่งเรื่องชาปนากิจศพแล้วก็จัดสิ่งของเครื่องใช้ที่ตนเองสําหรับถวายพระนะคะแล้วก็อุทิศไปให้ด้วยพร้อมกับทำพิธีกงเต๊กเหมือนกับงานศพของคุณ อ, องกําปั่นทองนะคะ เป็นอันว่าที่นายสุบินจันประเสริฐถูกไฟคล อ, อกตานี้เพราะกรรมเก่าตอบสมนองที่วิญญาณนายสุบินเล่ามานี้เป็นข้อพิสูจน์ได้ค่ะว่ากรรมเก่านั้นมีจริงให้ผลจริงเป็นเหมือนเงาตามตัวอีกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อวันที่31กรกฎาคม2501เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะคุณนายทองเย็นจตุวัด ก็ได้นิมนต์หลวงพ่อบ่าวเอิงให้ไปช่วยเชิญวิญญาณนายสวัสดิ์จตุวัตรผู้เป็นบุตรซึ่งถึงแก่กรรมเพราะว่าป่วยเป็นไข้ด้วยความอะไรอาวรค่ะจึงใครจะขอพบเห็นเพื่อไต่ถามเรื่องอการตายแล้วก็ความสุขความทุกข์โดยได้นานายวิชัยจตุวัตรผู้เป็นน้องชายของผู้ตายแล้วก็บรรดาญาติมาด้วยหลายคนโดยหลวงพ่อถามว่าจะให้ใครเป็นคนประทับร่างทรง นายบอกว่าให้ในายวิชยัยน้องชายของผู้ตายเป็นคนประทับร่างทรงทันใดนั้นนายวิชัยก็ปฏิเสธไม่ยอมเป็นคนประทับร่างหาว่ามันดางมงายหลงเชื่อพระธรรมกงเต็กเส้นเจ้าเผากระดาษล้วนแต่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยซึ่งมนุษย์พูดเจริญแล้วเขาไม่ทํากันหรอกคนตายแล้วก็แล้วไปไม่เคยพบเคยเห็นที่ไหนว่าจะนําวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วมาเข้าทรงได้แต่เมื่อทนความรบเร้าแล้วก็อ้อนวอนของมันดาไม่ได้ก็เลยยอมอย่างไม่เต็มใจนะคะเมื่อตกลงกันแล้ว หลวงพ่อเบาเอิงก็แนะนําให้ในายวิชัยทําจิตใจให้สงบนึกถึงรูปร่างหน้าตาของผู้ตายให้ติดตาติดใจเวลาประมาณ15นาทีล่วงไปวิญญาณของนายสวัสด์ก็ได้เข้าสิงร่างของน้องชายจนครบท้วนอาการ32เต็มที่พูดจาได้อย่างคนธรรมดาดีแล้วนะคะวิญญาณของนายสวัสด์ในร่างของน้องชายก็ตรงเข้ามาสวมกอดมารดาแล้วก็พี่พี่ค่ะพร้อมด้วยร้องไห้เป็นการใหญ่ทําให้มารดาแล้วก็พี่น้องนี่พากันร้องไห้ไปด้วยทุกคนเลย แม้แต่ผู้ที่มาชมการเชิญวิญญาณในวันนั้นก็พลอยร้องไห้ไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุติง๋งผู้รักษาพระอุโบสถซึ่งเคยเห็นการเชิญวิญญาณนับครั้งไม่ถ้วนก็พลอยทำตาแดงๆกับเขาไปด้วยค่ะเพราะว่าไม่สามารถทนต่อสภาพการที่เห็นในครั้งนี้ได้เมื่อร้องไห้เสร็จแล้วนะคะคุณนายทองเย็นก็ได้ถามวิญญาณของลูกชายว่าทาไมถึงอายุสั้นนัก มาให้แม่ชื่นใจเพียงแค่21ปีเท่านั้นแล้วก็จากแม่ไปวิญญาณในร่างก็เลยตอบว่าที่ลูกต้องจากไปครั้งนี้ก็เพราะว่าชาติก่อนลูกฆ่าเขาตายโดยไม่ได้เจตนาลูกต้องใช้นี่เขาลูกได้ใช้นี่กรรมเก่าแล้วนะแล้วก็ได้รับส่วนกุศลที่ลูกได้ทําไว้อย่างทุกอย่างตลอดที่คุณแม่ทําส่งไปให้ด้วยลูกขอกราบเท้าคุณแม่อย่างสูงสุดไม่มีพระคุณอันใดที่ลูกจะนํามาเปรียบเทียบกับพระคุณของแม่ได้อันนี้วิญญาณกล่าวนะคะจากนั้น วิญญาณในร่างทรวก็กล้มลงกราบรับเครื่องผ้าป่าจากมันดาที่นำมาเพื่อถวายอยุทิศ่นกุศลให้ตนแล้วก็นำมาถวายแก่หลวงพ่อบ่าวเอิงนะคะจนสำเร็จแล้วก็กราบขอลากันไปวันที่20กรกฎาคม 2,500 ยี่สเอ็ดค่ะเวลาประมาณบ่าย2โมงคุณโสพีอินทรทั์ห้างขายยาเทวกรรมโอสดที่นางเลิงนะคะก็ได้นิมนต์ให้หลวงพ่อบ่าวเอิงไปตรวจ ด, ดูที่ดิน ที่มุมสนามบ้านนางเลิงที่ตั้งห้างไปอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะที่จะแรงเมื่อหลวงพ่อได้ไปตรวจดูก็พบว่าวิญญาณของนายพุทธสิริมาศเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้และก็ได้รับแจ้งว่าเขาเป็นนักเลงเจ้าถิ่นตั้งแต่ตายไปแล้วคือไม่มีผู้ใดทําบุญอุทิศกุศลให้เขาเลยหากเจ้าของที่ดินปัจจุบันต้องการความร่มเย็นเป็นสุขก็ขอให้ทําบุญอุทิศกุศลไปให้เขาบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนโดยเขาขอบ้านหนึ่งหลังข้าวของเงินทองและก็เสื้อผ้าพอมีกินมีใช้ตามสมควรเ่า คุณโสพีอินทรทัศนะคะก็เลยได้ตกลงจัดการทำเส้นไหว้แล้วก็สร้างบ้านชั่วคราวหนึ่งหลังเงินทองเสื้อผ้าอุทิศส่วนกุศลดังกล่าวไปให้ในวันนั้นโดยหลวงพ่อบ่าวเอิงค่ะก็ได้พูดกับคุณโสพีนะคะว่าควรจะทดสอบดูว่าที่ได้สละสิ่งของทำบุญโดยความเชื่อนยังไม่พอต้องให้ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังเป็นประจักษ์แก่ตัวให้แน่ชัดว่าได้เป็นการแน่ใจ ย, ยิ่งขึ้น คุณโสภีก็เลยเรียกพวกลูกหลานนะคะที่เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายมาร่วมพิธีทําบุญนั้นมานั่งเข้าแถวเป็นร่างรอรับวิญญาณที่จะมาท่งโดยหลวงพ่อบ่าวเอินก็ทำการเชิญอยู่ครู่ใหญ่วิญญาณของนายพุทธศิริมาศก็เลยเข้าประทับร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาทางวิทยาศาสต์ผู้ซึ่งไม่เชื่อถือในเรื่องของวิญญาณ เมื่อวิญญาณของนายพุทธประทับร่างสรงครบถ้วนอาการ32แล้วก็กล่าวขอบอกขอบใจต่อคุณโสพีค่ะที่ได้ทําบุญุทิศสุขสนไปให้ในวันนี้นะคะและบอกว่าได้รับสิ่งของต่างๆตามที่ตกลงทุกอย่างแล้วฉะนั้นเขาขอรักษาวาจาสัตว์ที่ได้ให้คํามั่นสัญญาทุกประการบัดนี้เสร็จฐุระของเ้าแล้วเขาขอลากลับคุณผู้ฟังคะสรุปแล้วเรื่องของการเชิญวิญญาณนี่เป็นเรื่องที่หลวงพ่อบ่าวเอิงนะคะมาสนใจในภายหลัง เมื่อครั้งที่หลวงพ่อบ่าวเอิงยังเล่าเรียนทางปรมัตถธรรมอยู่หลวงพ่อบ่าวเอิงบอกว่าเห็นการทำเครื่องกระดาษเป็นดตกรรามบ้านช่องแล้วเอาไปเผาไฟนั้นเป็นเรื่องไร้สาระเคยห้ามปรามคุณโยมมันดาเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามาบัดนี้นะคะหลวงพ่อบอกว่าเกิดศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสในสิ่งที่หลวงพ่อเคยห้ามไม่ให้แม่ทาแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยศรัทธาประสา ตามเยี่ยงที่คุณยมแม่ทำทุกอย่างทุกประการค่ะสมดังหลักพระประมัธิว่ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็รู้รู้จนถึงที่ไม่มีอะไรจะรู้อีกแล้วจึงจะเรียกว่ารู้จริงนั่นเองค่ะ